สิกขาบทที่9ภิกษุณีให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรการด้วยความหวังในจีวรที่เลื่อนลอยต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้ล่วงไปต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้ล่วงไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตี